อาจารย์เราคุยคุยกันอยู่เลยเลยในเรื่องเรื่องของาสตเวนาเราก็รู้เราก็ใจแต่มันมันออกไม่ได้อาจารย์ช่วยช่วยแนะนี่ทไมปีออกหน้าหรือว่ารู้นะรู้แรู้ไมี่เราคุยกันเนี่ยถึงาเวชนานี่ยทำไมเรารู้ทาไมเราไม่อ๋อก็มันน้อยไปมันน้อย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 คือตัวเวทนาเนี่ยคือตัวเวทนาถ้าจักขู่สัมผัสชาเวทนาแปลว่าเวทนาที่มาทางจักขุทวารนี่เวทาจาจักขู่สัมผัสชาทุกขเวทนาก็ามี <c oughs> จักขู่สัมผัสชาสุขเวทนาก็ามีจักขูสัมผัสสชาอัตุขมัสสุขเวทนาก็ามี <c oughs> ใช่ไหมเอาละสิตวเนี้ยเออเวทนามีสามสุขทุกอุเบกขาเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมสุขเวทนานั้นน่ะ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 อ๋อตัวนี้มาจากภาษาเออภาษามาจากไหนเอาภาษามาจากไหนภาษามาจากจากครูวิญญาณเออจากครูวิญญาณแล้วก็มาจากอะไรมาจากครูปารมใช่ไหมมาจากกัจจปปัสสัตถ์ทำสามอย่างประชุมกันอาการที่ทำสามอย่างประชุมกันนี้พระองค์เรียกภาษาเอาเลยสิทีนี้พอเรียกว่าภาษาเนี่ยจากครูวิญญาณเป็นขันอะไรเป็นวิญญาณขัน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 แล้วก็ต้องอาศัยรูปขันเป็นไปด้วยอ้าวต้องอาศัยปัจจัยเยอะเลยนะแล้วจักวิญญาณไม่ได้อาศัยแค่ปัจจัยในปัจจุบันเทนะ่านั้นจักวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยมีสังขารอาวิชาปจัจจยาสั่งฆ่าลาสั่งฆ่าเราปรจัจจยวญญานะวิญญาณนังเห็นไหมใช่ไหมอ๋อวิญญาณคือจักวิญญาณมีสังขารคือมีเจตนากรรมเนดริศเป็นปัจจัย เจตนากรรมนี่ถามารถจักขูวิญญาณนี่เป็นกุศลจักขูวิญญาณหรือเป็นอกุศลจักขูวิญญาณเอาทีเป็นจักขูวิญญาณที่มองรูปรูปที่เป็นบุญหรือรูปที่เป็นบาปถ้าหากว่าเป็นจักขูวิญญาณที่เป็นกุศลก็มาจากเจตนากรรมที่เป็นกุศลไอเจตนากรรมที่เป็นกุศลทําไมสามารถผลิตจักขูวิญญาณที่เป็นกุศลได้เพราะเจตนากรรมที่เป็นกุศลนั้นมีตัณหาแวดล้อมอยู่ในดีสมุทัยไง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 เราทำหน้าที่นะตามสังคมเขาเชิญเราไปเต้นแล้วก็ไปเต้นแต่ขนาดไปเต้นเนี่ยเราเรียนรู้ไอ้วาโยธาอยู่นั่งทางานอย่างนี้นะแต่เราเข้ามายัถ้าพี่น้องมาฟังนี่พี่เห็นวาโยธากูจมาเคลื่อนไหวแล้วเอ๊ะทาไมเร้องเราอยมันมันยังไม่ออกอาจาย์ที่นี่อาจารย์มาต่อตรงนี้ดียังไหมเลยมาต่อตรงนี้นะทําให้เห็นอะไรหลายอย่าง เพราะว่าเพราะว่าเอ๊ะทำไมเราก็ก็เรียนรู้เลยนะถ้าทำไมเรายังออกไม่ได้ขาเสียเวลนากก็รู้เลยขยายตาหูเจ็บหงิดมาเพราะอะไรเราก็รู้เอ๊ะทำไมกันยังไม่ออกนี่จำว่าหลัง่าจะออกโรงงานมันปิดก่อนนะคตายสกอ่อนแล้วใช่ใช่ตรงนี้งานคือไม่รู้จริงเรารู้ไม่ชัดไม่รู้ประชานสิทธนี่แหละไม่รู้หรอกอันนี้มิยังไม่พอแค่นี้นะยเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนที่สอง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 แล้วก็เข้าใจถัดจากวินาณามันเกิดจากอะไรอะไรแต่เราก็ไม่ออกเราออกไปไล่ล่าเราก็รู้มาจนถึงกำลังทำอะไรบางทีบางทีเนี่ยนะบางทีเราเรายังไม่รู้เลยซ้ำไปที่ว่ารู้รู้มันอะไรไปรู้โลคาก็รู้ได้ใช่ไหมโทสะก็ไปรู้ได้โมหะก็ไปรู้ได้วิจิตจะตายไปถ้าจะรู้อย่างปัญญามันรู้แบบผ่านถอนรู้แบบเห็นว่านี้ทุกข์ ใอันี้มันเหมือนเรารู้จำใช่ไหมครับรู้จมันรู้มันรู้จาตัววิญญาณก็รู้แต่แต่เราก็เห็นนะขณะที่เราเรารู้จาจริงจแต่เราก็เห็นที่มันกระทบเข้ามาเราก็รู้แต่ทาไมเรายังตอบไม่ได้มันยังน้อยไปรู้น้อยน้ยนน้อยกมันไม่พอมันมันมันน้อยไปแล้วก็ไม่รูยาไม่ได้รู้เรื่องนี้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 ก็ว่นจะมาถามอาจารย์อ่อถ้าตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆมันก็เรียนดูเหตุหกับปัจจัยของตัวอยเรื่อยๆเพราะวันมันเยอะเราเกินอย่บางคนตรงนั้นก็ต้องหาเวลาหลีกเล่นอั่งมั น, น, นเนาะการดูการเกี่ยวข้องกับคนมากๆแล้วจะให้ไปพิจารณาทานนั้นไม่มีทางามาไม่มีทางแล้วนั้นประการหนึ่งนะอีกประการหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่การวิจัยอะไร ต, ต่างๆเล่านั้นบางครั้งยังไม่ชัดเจนเลย เราเขาวิจัยสิ่งอื่นใหม่เรื่อยๆไปไอ้ยังที่เก่าๆเขายังโมวอยู่เลยยังมวอยู่เลยใหม่ๆเน่อไั้นมันไม่ใช่ให้ทันน้ำรมั้ยนะมันไม่ชัดไม่จาเป็นต้องไปทันอ้ำรั้ยมันไม่รู้อย่างที่อาจารย์ว่าเราไม่รู้ไม่รู้ชัดไม่ละเอียดให้ตัวนี้จึงเกิดปัญหาใ่ตรงนี้เรื่อยๆทีแต่นี้พอพอจะมองแนวทางออกนะแต่นี้นะพอพอพอจะมองแนวทางออกว่าโอ้ต่อไปโออสาเหตุเป็นเพราะอะไรใช่ไหมแต่มันก็ดีอทดี เรียนแคนี้เข้าใจแค่นี้บุแล้วคือไม่ยังไม่รู้รอกาเนาดนั้นแต่ว่าเพียงจะรู้ว่าอยทำไมเหตุเป็นอย่างนี้ช่วนี้เราจะฝรงงานเนี่ยนะระหว่างที่ทุกฝึกโรงงานเนี่ยถ้าเราอยู่ในไอคิวในมุสุลไม่จะไปเกิดที่สุขสตรีแต่สตรีแม่มุสุลไ่จะด อ๋<ง>อเฉพาะเฉพาะเฉพาะของเก่าอันนี้เดียวมันมีโรงงานที่เปิดรอเอาให้บริการอีกเป็นล้านๆโรงงานที่เราทไาไว้เงี้ยนะคิดว่าจะไปบังเกิดเลยว่ารอสายจากพิธานที่จะงอ๋อปัญหาก็คือว่ากรรมที่จะทำให้จุติยังไม่ถึงก็ต้องอยู่ยังในโลกมืดไปตอนนี<อ>้เขามีคนอ เพราะข้านำเสนออยู่แล้วอารมณ์ใกล้ตายเยอะแยนะนั่ยู่ที่ว่ากุศลกรรมเรือร่องกุศลกออศรรมด้วยเานั้นเป็นใจ ไ, ไม่ได้ถึงจะเป็นอุบัติเหตุขนาดไหนก็จะต้องมีมรณาสันญาการคืออารมณ์ต้องปรากฏสมมติน ะ, มมมมนะสมมตินะสมมติว่าอุบัติเหตุตูมบางทีก็จับอารมณ์นั้นแหละ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 นีมิตดีมาก็เกาะคนใกล้ตายก็คือคนอ่อนแออ่อนแอมากจิตจะอ่อนแอมากมเหมือนต้นเองห้อยหาที่เกาะพอมีวุบเข้ามาเิดหนึงยก็เกาะอันนั้นแหละแน่นเ ค, เคยลองกำหนดดูนะคะเอ๊ะ เ, เราลองกำหนดดูซิเขาว่าตายกับหลักนีมันเหมากน